อนาปติวาลพิคชณีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ837 1. ภิกษจพิียืนในอารามเห็นหรือได้ยิน 2. ภพิกษณียืนนั่งหรือนอนอยู่เขาฟ้อนรำขับร้องหรือประโคมผ่านมาอย่างที่นั้นๆ 3. ามพิกษณีเดินสวนทางไปเห็นหรือได้ยิน 4. ภพิกษณีมีธุระจำเป็นเดินผ่านไปหรือได้ยิน หรือเห็นห้าพิกุนีผู้มีเหตุขัดข้องหกพิกุนีวิกลจริตเจ็ดพิกุนีต้นบัญญัติสิขาบทที่สิบจบลัสนวัตที่หนึ่งจบ